เสียสุขภาพบ้างและเสียสติบ้างอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกที่เข้าสำนักนั้นออกสำนักนี้ไปเรื่อยๆเพราะแยกแยะไม่ออกว่าคำสอนของแต่ละสำนักแตกต่างกันอย่างไรจึงคิดว่าที่ไหนที่ไหนก็ดีเหมือนกันทั้งนั้นถ้าได้ฟังธรรมหลายแห่งเพื่อจะเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะขึ้นมาบ้างคนกลุ่มนี้ยากที่จะปฏิบัติธรรมได้จริง เพราะวันหนึ่งหัดบริกรรมพุทโธอีกวันหนึ่งหัดกำหนดลมหายใจอีกวันหนึ่งหัดกำหนดพ่องยุบอีกวันหนึ่งหัดกำหนดรูปนามในอิริยาบถสี่เป็นต้นรวมความแล้วก็คือแม้จะพบอาจารย์ที่ดีก็ไม่สามารถเข้าถึงแก่นธรรมได้เลยเพราะความจับจดในการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อป้องกันจุดอ่อนในเรื่องนี้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 เกิดความท้อถอยที่จะปฏิบัติธรรมคล้ายกับคนที่อยากเดินทางไกลด้วยแต่ก็เสียดายความสุขสบายเมื่ออยู่บ้านด้วยกลัวว่าถ้าต้องเดินทางแล้วจะได้รับความลาบากดังนั้นพอออกเดินทางไปได้เพียงเล็กน้อยก็มักยออ่อท้อถอยหลังกลับด้วยเหตุนี้เองครูบาอาจารย์บางท่านจึงมีปณิธานที่จะอบรมสั่งสอนบรรพชิต ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นพิเศษเพราะเห็นว่าเป็นผู้สลักความเพลิดเพลินในการมุณอารมณ์ออกมาแล้วแต่ในความเป็นจริงท่านก็ไม่ได้รังเกยียจคารวะเพราะครวะก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ที่ปฏิบัติจนถึงขั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีหลายท่านเช่นยะสะกุลบุตรภาหิยทารุจีรยะและพระเจ้าสุโธธนะเป็นต้น แต่ทั้งนี้คารวะาผู้นั้นก็ต้องมีบารมีคือเคยฝึกฝนจิตใจจนไม่ลหลงไหลในกามกุลอารมณ์จนลืมธรรมะอย่างไรก็ตามการจะให้คารวะศึกษาปฏิบัติธรรมจนถึงความบริสุทธิ์หมดจดบริบูรณ์อย่างบันปะชิตนั้นยากเต็มทีเพราะวิถีชีวิตไม่เอื้ออำนวยให้ใช้ความเพียรได้เต็มที่นักในขณะที่เพศบรรปะชิต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 และอร่อยกว่ามาทดแทนอย่างเหลือเฟือความจริงยังมีวิธีการปฏิบัติอย่างอื่นอีกที่จะแก้ปัญหาความติดใจในการมกุณอารมณ์ได้เช่นการฝึกสมาธิแต่ผู้เขียนไม่ได้แนะนำเรื่องนี้เพราะการฝึกสมาธิเหมือนดาบสองคมถึงมีคุณก็มีอันตรายหลายอย่างเช่นถ้าฝึกพลาดก็อาจจะวิกลจริตหรือเกิดมิจฉาทิฏฐิ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 ไม่ติดตระกูลและให้สำรวมอินทรีย์เป็นต้นจุดอ่อนประการที่สีได้แก่ความเกียรครานและการผัดวันประกันพรุ่งเพื่อนนักปฏิบัติจำนวนมากอยากบรรลุมรรคผลนิพพานไวๆแต่เกียรคร้านที่จะปฏิบัติธรรมหรือบางท่านห่วงงานทางโลกจะขอทำงานต่างๆให้เสร็จซะก่อนจึงจะเริ่มลงมือปฏิบัติธรรม ทั้งที่ธรรมชาติของงานนั้นไม่มีวันเสร็จดังนั้นถ้าไม่ลงมือจเจริญสติไปทำงานไปจะรอให้ทำงานเสร็จเสก่อนก็มักจะไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมจนตลอดชีวิตแท้จริงแล้วในระหว่างการทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากนักถ้าเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมก็สามารถปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับการทางานได้เลยอุบายในการแก้ความเกียดคร้านเฉยชา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 กรธเคืองครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเป็นเหตุให้ครูบาอาจารย์ท้อใจและท้อทุระที่จะอบรมสั่งสอนนับว่าเสียประโยชน์ของตนโดยแท้แต่ทั้งนี้จุดอ่อนในข้อนี้หมายถึงการไม่อดทนต่อคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่สอนถูกต้องตามพระธรรมวินัยเท่านั้นหากครูบาอาจารย์สอนไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินยัย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 ควรแก่การงานปราศจากกิเลสและอุปกิเลสนั่นแหละจึงควรใช้จิตนี้ไปเจริญสติเจริญปัญญามิฉะนั้นแล้วจิตจะฟุ้งซ่านจับอารมณ์ปรมัาทได้ไม่ชัดเจนบ้างไปหลงเพ่งอารมณ์บัญญัตบ้างไปคิดถึงอารมณ์ปรมาทบ้างถูกกิเลสครอบงำจนลืมการปฏิบัติบ้างและที่สําคัญก็คือถ้าขาดสัมมาสมาธิ